ทั้งอย่างอ่อนกับอย่างกลางที่ฉันกล่าวถึงในเดือนแรกนี้มีลมหายใจและอิริยาบถเป็นราวเกาะฐานสติอื่นๆฉันยังเข้าไม่ถึงฉะนั้นพอดชงอย่างแก่เป็นอย่างไรอันนี้ต้องรอดูต่อไป